กัมันตังอาพิวาเทมีพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระกวตาธรรมโมธรรมนามสซามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวาคาซังโก สร้างกนมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเมื่อพวกเราสวดมนต์กันมาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้ว ลำดับต่อไปก็ถึงเวลาที่จะมาจะเจริญภาวนาธรรมกันต่อไปให้ทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวนั่งให้สบายสบายวางภารกิจทางกายให้หมดเสียก่อนแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้าย นิ้วชี้ขวาจดกับนิ้วหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงปล่อยกายตามสบายสบายอย่าเกร็งนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เมื่อเร็วขึ้นสูบลมหายใจลึกๆเป่าปากตุวีออกมาสูบลมหายใจลึกๆเป่าปากตัววีออกมา เมื่อวางภารกิจทางกายวาจาและใจให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกๆคนตั้งจิตอธิษฐานเข้าที่ศูนย์กลางกายน้อมละลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูอุปชาอาจารย์คุณบิดามารด า, ราและบุญบรารมีทั้งหลายที่เคยสร้างสมอบรมกันมาให้มาช่วยประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่ง และให้เกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสัพพะอันตรายอย่าได้มากล้ำกายขัดขวางการเจริญภาวนาของพวกเราเมื่อตั้งใจมั่นคงดีแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆในลำดับก่อนชั่วโมง ที่ผ่านมาก็ได้ฝึกวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในฐานเจ็ดฐานในการเจริญภาวนา ร, รมให้ทุกคนกำหนดบริกรรมนิมิตรเป็นดวงแก้วกลมใสขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา พร้อมด้วยบริกรรมอนภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังประคองบริกรรมนิมิตไว้ให้ใจมารวมกันหยุดในการบริกรรมนิมิตค่อยๆเลื่อนบริกรรมนิมิตไปหยุดตามฐานต่างๆ คือที่หัวตาด้านในที่กลางกักศีรษะแล้วเลื่อนมาหยุดที่เพดานปากที่ปากช่องลำคอค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายไซส้สะอาดนั้นไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงสะดือแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตรงๆมาหยุดอยู่น้ฐ า, านที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้ว สำหรับท่านที่จำนานในการกระทาให้ใจหยุดณนะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แล้วแต่ยังไม่ได้ดวงปฐมมรรคเวลาเจริญภาวนาก็กาหนดบริกรรมในมิตรเป็นดวงแก้วกลมไส้รอบตัวโตวประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่กาหนดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พร้อมกับบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอาหังเพื่อช่วยประคองใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิตรงฐานที่เจ็ดนี่แหละเป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใส่สะอาดบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ภายในดวงธรรมนี้มีศูนย์เป็นดวงกลมใสเล็กๆอยู่ห้าศูนย์คือศูนย์กลางศูนย์ข้างหน้าข้างขวาข้างหลังและข้างซ้ายศูนย์กลางคืออากาศาธาตุศูนย์ข้างหน้าคือธาตุน้ำ ข้างขวาธาตุดินข้างหลังธาตุไฟข้างซ้ายธาตุลมจ้องตรงกลางอากาศตรงนี้เรียกว่าศูนย์ศูนย์นี้สำคัญเป็นที่ตั้งที่จบและที่หยุดของจิตเวลาสัตว์จะไปเกิดมาเกิดก็มาจะมาอยู่ในที่สิบ คือฐานที่หกแล้วลอยขึ้นมาหยุดอยู่หน้ากลางตายฐานที่เจ็ดนี้ก่อนเรียกว่าจิตตกศูนย์ศูนย์นี้จึงสำคัญนักเพราะเป็นที่ตั้งของกําเนิดเดิมการจะเข้ามรรคผลนิพพานก็จะต้องเข้าที่ศูนย์นี้ด้วยเหมือนกัน ให้ทุกคนทําใจหยุดนิ่งเข้ากลางที่ศูนย์นี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแห่งนี้แห่งเดียวหลวงพ่อสอนว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสาเร็จถ้าเรารู้จักทําใจจิตหยุดจิตนิ่งเข้าศิบเข้าศูนยะ์ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้ว จะให้ความสำเร็จทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมโลกก็จะได้รับความสุขใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมจะได้รับความสุขได้ใจต้องหยุดตามส่วนของธรรมสุขอื่นใดนอกจากการหยุดการนิ่งไม่มีหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำคัญ หยุดรมเดียวเท่านั้นที่ถูกทางตั้งแต่ต้นจนเป็นพระอรหันต์เป็นตัวศาสนาแท้เมื่อทำใจให้หยุดได้แล้วก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดยุดในหยุดยุดในหยุดไม่มีถอยลังกลับหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดยุดในหยุดเข้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจที่หยุดนั้นต้องถูกกลาง ถ้าไม่กลางใช้ไม่ได้ต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนเข้าส่วนทุกสิบทุกศูนย์ทุกส่วนถ้าหยุดกลางกายเข้าทุกสิบทุกสิเท่านั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงศูนเห็นสิบแล้วเห็นศูนเป็นเข้ามูลสืบ ก, กันมาเที่ยงแท้แน่หนักหนา ตั้งอนิจจเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็นตัวมาเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์ก็อุปมาดังเราเขียนตัวเลขหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็ลบตัวเลขหนึ่งถึงเก้าทิ้งเสียเหลือแต่ศูนย์ตัวเดียวศูนย์มันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเราเอาตัวศูนย์นี้ไม่ว่าจะไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนเท่าใด ก็ไม่มีค่าทั้งสิ้นแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีก็หาหาได้ไม่เพราะปรากฏว่าศูนย์เรายังไม่ได้ลบทิ้ง่ังเขียนอยู่นี่ส่วนตัวเลขหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้านั้นก็เป็นจำนวนที่นับได้อ่านได้บวกลบคูณหารกันได้เลขสิบ ก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เราจะเอาศูนย์ไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆก็ไม่ทำให้เลขนั้นมีค่าสูงขึ้นและเลขศูนนี้เมื่ออยู่โดยลำพังก็ไม่มีค่าอะไรแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จิตก็เป็นธรรมชาติ ที่มีลักษณะเหมือนเลขศูนย์นี่เองเมื่อนาเข้าไปต่อเข้ากับอะไรต่อกับตัวเลขใดก็ยอมทำให้ตัวเลขนั้นเพิ่มค่าขึ้นเช่นเลขหนึ่งเมื่อเอาศูน์ต่อเข้ามาก็กลายเป็นสิบจิตก็เช่นกันจิตใจเมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลาย ก็จะกลายเป็นสิ่งวิจิตพิสดารมากมายขึ้นมาทันทีแต่จิตที่รู้จักหยุดจกนิ่งรู้จักการทำลายกิริยาความสมมุติรู้ถึงสภาวะธรรมว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา เราจะไปยึดไปเหนียวว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนั้นไม่ได้จิตที้ได้รับการฝึกอบรมจนฉลาดเกิดปัญญารู้ธรรมะแล้วย่อมกลับคืนสู่สภาพศูนย์คือความว่างโปรงพ้นจากการนับการอ่าน เราก็จะสามารถหยุดพบชาติได้ตราบใดที่ยังมีค่าเหมือนตัวเลขหนึ่งถึงเก้าการเวียนไหวตายเกิดในพบสามก็ยังไม่สามารถที่จะแหวกว่ายพ้นจากวัฏจักรแห่งนี้ได้พบสามการมาพบ การมาพบเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เสพกามก็มีจเวโลกมนุษยโลกและอบายโลกรวมกันเป็นหนึ่งรูปภปพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จรูปประชานมีสีอารุ ป, ประภพ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สำเร็จอารมประชานมีสี่รวมทั้งสิ้นเป็นเก้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดพระอารหันผู้หมดจบจากกิเลสย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ไม่ต้องมาอยู่ในที่เก้าแห่งนี้พระอารหันจึงประทับอยู่บนที่สิบ คืออายตนะนิพานพระอาหารหันต์จึงผู้ประกอบด้วยองค์สิทธิย่อมพ้นจากวัตะสงสารการดับภพบสามได้นั้นท่านมิได้เหาะขึ้นไปการมาพบรู ป, ปรพบอารมู ป, ปพบคงอยู่กับที่นั่นเองแม้พระบรมศาสดาเมื่อจะดับภพบสามก็พึงดับที่จิตของตน คือทำลายตัวสมมุติทั้งหมดทั้งสิ้นจากจิตเป็นทิติจิตทิติธรรมอันไม่รู้จักตายเป็นธาตุล้วนทำล้วนวิรากธทาตวิรากธรรมฉะนั้นหลวงพ่อจึงกล่าวเสมอว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จใจที่หยุดอยู่ถูกกลางเข้าศิตเข้าศูนถูกสิษ์ถูกศูนย์แล้วย่อมสามารถทำลายความสมุดแห่งภพชาติได้หมดได้หมดถ้าเราปฏิบัติกันอย่างสมุมเสมอปฏิบัติให้ถูกทางก็จะประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ พึงรู้พึงเห็นได้ด้วยตนของตนเองพ้าอรันทั้งหลายดับุพบสามได้ด้วยความเพียรทำให้มากเจริญให้มากจนจิตมีกำลังสามารถทำลายความสมมุติทั้งหลายลงได้หมดตัดสิ้นอาสวะกิเลสดั บ, พบุพดับชาติได้ หลวงพ่อบอกว่าสิบศูน์นี้เป็นตัวสาคัญมากเากข้าสิ บ, สบแล้วก็ตกศูน์ตกศูนย์ก็คือใจหยุดพอใจหยุดเรียกว่าเข้าสิบแล้วจะเห็นดวงปฐมมกกรรคกลไสแจ่มบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแสดงว่าเห็นศูนแล้วพอเห็นศูนย์ใจก็จะหยุดอยู่กลางศูนย์นั้น ต้องเข้ากลางดวงนั้นแห่งเดียวไปได้ทางเดียวทางอื่นไม่มีทางนี้เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านจะเข้าสูนิพานได้ก็ต้องไปทางนี้ทางเดียวไม่มีทางแยกจากกันอื่นไปแนวเดียวกันหมดเรียกว่าเอกายนามกหนทางเอก มักขาสายนี้เป็นที่ทำยานรู้ทุกทุกประการทำทั้งดวงตาย่อมจับเป็นไปเพื่อให้นำมาความรู้ยิ่งพาพบสงบนิพพานเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกๆคน รวมใจหยุดในหยุดลงไปที่ตรงสุงกันแห่งนี้ประคองใจให้หยุดให้นิ่งเข้าไปที่กลางกลางกลางกลางกลางางกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลากลางดหางกลางกลางกลางเลางกลางกลางกลางพอาุกส่วนเข้าก็จะเห็นกวงกลาางางกกิดขึ้น ขนาดโตเท่าฟองไข่แดงของไก่หรื อ, อยังเล็กเท่าดวงดาวในอากาศอย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพานเมื่อเห็นดวงปฐมมรรคนี้แล้วก็ให้หยุดบริกรรมภาวนาน้อมใจเบาๆจดที่ศูนย์กลางดวงนี้ เอาใจแตะเบาๆเข้าที่กลางศูนย์กลางจะเห็นจุดเล็กใสเข้าปลายเข็มพอใจหยุดใจนิ่งได้ถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละดวงเดิมนี้ก็จะว่างหายไปดวงใหม่ก็จะผุดขึ้นมาแทนที่ใสละเอียดชึ้งขึ้นกว่าเดิม ดวงนี้เป็นดวงศีลให้น้อมใจหยุดลงไปในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นดวงศีลมีที่หมายเป็นจุดเล็กไซส์เท่าไปเข็มนี่คือเหตุว่างของดวงศีลพอหยุดได้ถูกส่วนเข้า ดวงเดิมก็จะหายไปและดวงสมาธิก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นหยุดในยุดยุดในหยุดยุดในหยุดลงในดวงธรรมที่ทำให้เป็นดวงสมาธินั่นเมื่อหยุดได้นิ่งถูกส่วนเข้าดวงเดิมก็จะว่างหายไป ดวงปัญญาก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่ใสขึ้นละเอียดขึ้นจดใจเบาๆเข้าไปที่กลางดวงปัญญาพอหยุดนิ่งได้ถูกส่วนดวงปัญญาก็จะว่างหายไปดวงวิมุตตก็จะผุดลอยขึ้นมาแทนที่หยุดในหยุดลงไปในดวงวิมุตตนั้น พอหยุดได้ถูกส่วนเข้าดวงวิมุตต์ก็จะว่างหายไปเป็นดวงวิมุตติยานัศนะผุดลอยขึ้นมาแทนที่ใสละเอียดและมีรัศมีสว่างมากขึ้นน้อมใจหยุดลงไปที่กลางดวงวิมุตติยานัทสนะนั้นพอหยุดได้ถูกส่วนเข้าดวงวิมุตติยานัศนะก็ว่างหายไป ก็จะปรากฏกายมนุษย์ละเอียดหรือธรรมกายเกต ด, ดอกัวตุมไซบริสุทธิ์ผุดลอยขึ้นมาแทนที่ถ้าปรากฏกายละเอียดใดๆหรือว่าเห็นเป็นองค์พระแก้วใสเกต ด, ดอกโบตุมให้น้อมใจหยุดเข้าไปที่กลางกายใหม่ที่เราเห็น ถ้าบางคนยังเห็นไม่ชัดไม่ใส่ก็ให้รวมใจหยุดลงไปในที่ศูนย์กลางกายใหมน่นี้ก็จะค่อยๆเห็นใส่ขึ้นและชัดขึ้นจะเห็นดวงธรรมในศูนย์กลางกายใหมน่นี้ก็ให้ดำเดินมองเข้ากลางหยุดเข้ากลางเห็นดวงเดินดวงเห็นเห็นกายเดินกายเดินเข้าไปในกาย น้อมใ like so จหย e? th ุดลงไปในส่วนกลางหยุดเข้าไปหยุดในหยุดหยุดในหยุดกายที่เห็นก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นละเอียดขึ้นละเอียดละเอียดลเอียดละเอียดใสใสใสใสใสใสใสใสรมจะหยุดลงไปในส่วนกลางกายเลื่อยไปที่เรียกว่าเข้ากลางนี่เองกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลางในกลางในกลางกลาง หยุดเลื่อยเข้ากลางไม่มีทอยหลังกับเราจะพบความสุขความสงบแล้วก็ได้ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติการรู้เห็นเองธรรมะเป็นอะกาลิกูเอหิปะทิกูโอปนายิกูปจจตังเวทิตัภูวินยูหิต ธรรมะไม่มีการเวลาเป็นของที่ชวนดูกันไม่ได้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพึงรู้พึงเห็นได้ด้วยตัวของตัวท่านเองข้อสำคัญอยู่ที่ให้ตั้งใจจริงทำจริงทำอย่างสม่าเสมอไม่ว่าท่านจะเห็นภาพในมิตใด ถ้าไม่ใช่เห็นที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ให้พยายามเลือกดากลับขึ้นข้างบนเพื่อให้เห็นจำคิดบูกลับเข้าไปข้างข้างในให้ความเห็นนั้นกลับเข้าข้างในพร้อมกับรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไว้สเสมอมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มพยายามแตะใจเบาๆเข้าที่ศูนย์กลาง กลางในกลางกลางในกลางกลางในกลางดับหยาบไปหาละเอียดดับหยะไปหาละเอียดใสละเอียดใสละเอียใสอีใสอีหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกลางของกลางกลางของกลางดับยะไปหาเอียดดับยะไปหาละเอียดดับยะไปหาะเอียดไม่ช้นิมิตที่เคยเห็นอยู่ที่อื่นก็จะปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายถ้าเห็นนิมิตเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ให้น้อมใจหยุด ใ้หยุดหยุดในหยุดเข้ากลางกลางคลองกลางกลางคลองกลางกลางกลางคลองกลางเรื่อยไปไม่ถอยลังกลับให้ทุกคนเดินติตเข้ากลางทุกสุ่วนก็จะไม่ปรากฏนิมิติลวงให้เห็นแต่อย่างไร เราไม่ต้องไปวิตกกังวลหรือสะดุ้งหวาดกลัวในวิถีเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลา ง, อ, ง, ลางอย่างนี้ธรรมะหรือสมาธิก็จะได้เห็นกายในกายทำในธรรมที่ละเอียดปราณีตใสบริสุทธิ์เย็นตาเย็นใจเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง เราจะเข้าใจว่าสุขอื่นได้ยิ่งกว่ า, วาความสง บ, สบคือใ จ, ใจหยุดใจในิ่งไม่มีมมจากนี้ไปก็ให้ทุกคนมันฝึกตามแนววิธีเข้าสิบเข้าศูนย์ที่ได้สอนมาเป็นลำดับให้รู้จัก วางใจให้ถูกสิบถูกศูนกํกำหนดใจวางใจตั้งใจเราจะตั้งที่ตรงไหนเราจะต้องเอาใจตั้งไว้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแห่งเดียวจะเอาใจไปตั้งไว้ที่ผิดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็จะผิดตลอดไปถ้าใจ ตั้งถูกที่ก็จะถูกหนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายจุดสำคัญคือการรู้จักหยุดจิตหยุดความคิดทั้งหลายให้รวมกันเป็นหนึ่งลงไปสู่ภายใน เมื่อใจที่รู้จักหยุดจักนิ่งจิต ท, ที่หยุดที่นิ่งแล้วอายตนะภายในก็จะดึงดูดลงสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเองโดยอัตโนมัติเหตุใดถึงจะต้องเอาใจไปจดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ที่เรียกว่าเข้าสิบเข้าศูนย์เพราะว่าที่ศูนย์กลางกายนี้เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่เรียกว่าดวงธรรมานุปษษสัสนาสติปทานหรือดวงปฐมมรรคนั่นเองถ้าไม่ตั้งใจตรงนี้แปลว่าไม่ถูกมรรคไม่ถูกทาง เมื่อไม่ถูกทางเราก็จะไม่พบดวงปัญญาเพราะที่ศูนย์กลางกายเป็นที่สุดของลมหายใจเข้าออกเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับเป็นที่ตื่นที่สุดของลมหายใจเข้าเป็นที่สุดที่หยุด เป็นจุดหมายที่นิ่งของใจเป็นจุดที่เห็นธรรมเป็นที่เกิดหมายความว่าเป็นจุดที่ใจของมนุษย์ต้องหยุดและนิ่งตรงนั้นจึงจะเกิดได้เป็นที่ดับก็คือตายเมื่อจะตายใจต้องหยุดตรงนั้นกน่อนแล้วจึงตาย เป็นที่หลับคือนอนหลับใจอยู่ตรงนั้นแหละจึงจะหลับถ้าใจไม่อยู่ตรงนั้นจะหลับไม่ได้เลยเป็นที่ตื่นคือตื่นจากนอนหลับใจอยู่ตรงนั้นแล้วจึงตื่นหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นที่ตื่นจากอาวิชชาหมายความว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมกันตรงนี้แหละ ฉะนั้นถ้าไม่ตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเราจะรู้ผิดเห็นผิดความเกิดความดับความหลับและความตื่น<ม>ก็ยังจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอวิชากิเลสเครื่องเศร้ามองตลอดไปเพราะสงกลางกายฐานที่เจดนีเป็นเอกยนมมก คนทางเอกทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทศทิศสามการทุกๆพระองค์ต้องเอาใจมาจดไว้ที่ตรงนี้จึงสามารถบรรลุซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้อย่ากำหนดใจนอกเหนือจากจุดที่กล่าว การกหนดใจของฝ่ายพระและฝ่ายมานั้นจะต่างกันฝ่ายพระหรือฝ่ายสมมาทิฏฐินี้เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายมานเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเรียกว่าอากุศลาธรรมมาหรืออวิชากิเลสตันหาอุปทานการกำหนดใจของพระ เราจะกําหนดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นส่วนการกําหนดใจของไฟมานอาจจะตั้งใจกําหนดไว้ที่นอกศูนย์กลางกายเช่นกําหนดไว้ที่ฝ่ามือฝ่าเท้ากลางกระหม่อมซอกคอหน้าอกปลายจมูกหน้าผาหรือกําหนดอยู่ตรงเบื้องหน้าไม่เข้าไปข้างใน การกำหนดใจดังกล่าวนี้ทำให้ไม่ถูกแนวทางที่จะพบจะเห็นรู้ของจริงของฝ่ายบุญเมื่อทุกๆกท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้าสิบเข้าศูนย์จุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือสองนิ้วแล้วก็ให้ทุกๆท่านตั้งใจเดินดวงเดินกายหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกลางกลางกลางกลางกลางดับหยาบไปห้าละเอียดดับยะไม่ให้าละเอียดใสละเอียดใสละเอียดใสละเอียดเข้าที่ส่วนกลางกายแห่งนี้แห่งเดียวให้ทุกๆท่าน ทำสมาธิเข้ากลางกลางในกลางกลางในกลางกลางในกลางใสในใสใสในใสใสในใสเรื่อยไปอย่าได้หยุดนะ